Thank mm -hmm. you. เกิดทักษะหรือว่าไอตนะของเราทำงานเช่นตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงมันจะเกิดสองอย่างขึ้นมาได้เรียกกันคือเกิดความรู้แล้วก็ความรู้สึกความรู้นี่ก็หมายถึงว่าการได้รับรู้ข้อมูลเช่นตาเห็นรูป เห็นอะไรเห็นใบไม้หรือว่าเห็นงูเห็นผ้าที่ขึ้นยามเช้าเห็นดอกไม้อันนี้เรียกว่าความรู้ยังไม่ใช่ความรู้ในที่อาจจะตำรานะแต่เป็นความรู้ที่เกิดจากการได้เห็นคือรู้ว่าข้างหน้านี้มีอะไรหรือเห็นอะไรอีกส่วนนึงก็คือความรู้สึกความรู้สึกก็ หมายถึงเวทนาแล้วก็ปรุงไว้เป็นรวมไปถึงอารมณ์ด้วย<ม>เช่นเห็นดอกไม้มมก็เกิดความสบายใจอันนี้คือสุขเวทนาแล้วก็จะเกิดเป็นอารมณ์ขึ้นมาก็เช่นว่าพอใจชอบอยากได้เรืยปรุงแต่งไปเป็นความคิดอาจจะไปนึกถึงเหตุการณ์ในอดีต แต่ความคิดนะมันก็ไม่เชิงเป็นเรื่องของความรู้สึกถ้าเราเห็นงูนะมันก็จะเกิดทุกขเวทนาขึ้นก็<ม>เกิดความขยักขยแยงเกิดความกลัวอันนี้ก็เรียกว่าเกิดความรู้สึกขึ้นรวมไปถึงอารมณ์ไอ้ความรู้และความรู้สึกนี่มันก็ทํางานกันไปคนละทางนะบางทีรู้ว่าดีแต่ว่าความรู้สึกมันไม่ดีอะ่ะ<ม>เช่นกินยาเงี้ย เราก็รู้ว่ายามันดีมีคนบอกหรือก็เห็นคนกินยาแล้วก็หายหรือว่าเห็นข้อความในฉลากมันก็บอกว่ายานี้รักษาโรคได้รักษาความเจ็บความปวดได้แต่บางทีความรู้สึกมันไม่ยอมอ่ะ เ, เพราะว่ามันขมมันก็ต่อต้านความรู้กับความรู้สึกบางทีมันก็ไม่ไปด้วยกันแล้วก็บางทีมันก็แข่งกันด้วย แต่บางทีมันก็ช่วยกันความรู้สึกนี่บางทีมันก็ช่วยให้เราเนี่ยสามารถที่จะหลบอีกอันตรายได้โดยที่เราจะไม่ทันรู้ว่ามันคืออะไรเช่นเราเดินไปในป่าแล้วก็ไปเห็นงูเลื้อยไม่รู้พวกเราเคยเจอประสบการณ์อย่างนี้ป่าคือพอเห็นงูเลื้อยเนี่ยในความสัญญา ม, มันยังไม่ทันจะทำงานหรือว่านี่คืองูมันแค่เห็น ตัวอะไรสักอย่างที่มันมีลักษณะคล้ายงูแต่ว่าในความคิดหรือว่าในความรู้เนี่ยมันจะไม่ชัดเจนว่าเป็นงูสัญญาว่างูจะไม่ทันจะทำงานแต่ว่าความรู้สึกมันก็ทำงานแล้วคือรู้สึกมันเสียววาบหรือกลัวแล้วในทันทีมันก็เริ่มยั้งเท้านะเริ่มจุดแล้วสะดุดตึกเลย สักพักสัญญาที่บอกว่างูมันก็ทำงานคือเราสะดุดเราเสียวหรือว่าเรากลัวทั้งๆังที่ยังไม่ได้เกิดความจำได้หมายรู้ว่านี่คือ ง, งูเพียงแค่เห็นว่ามันมีตัวสักอย่างรูปร่างเรียวเพียวนะเลื้อยอยู่บนถนนความรู้สึกมันทำงานก่อนที่ความรู้ จะเกิดขึ้นกับใจเหมือนกับว่ามันมีหน้าที่คนอส่วนกันตอนหลังก็พอศึกษาเรื่องนี้ก็พอเข้าใจเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นเนี่ยการรับรู้เนี่ยมันจะมีเส้นทางสองสายสายหนึ่งก็ไปสู่สมองส่วนที่เกี่ยวกับความจำเกี่ยวกับความรู้ความคิดอีกสายหนึ่งมันก็ไปทางสมองส่วนล่างที่เกี่ยวกับเรื่องอารมณ์ความรู้สึกแล้วก็ ปฏิกิริยาฉับพลันคือซึ่งวิธีนี้มันก็ดีนะที่ทำให้พอมันช่วยให้คนเราเนี่ยสามารถที่จะหลบหลีกอันตรายได้โดยที่ไม่ทันจะรู้ว่าคืออะไรถ้ามันนั่งมัวรู้มาคิดซะก่อนว่าคืออะไรเนี่ยมันก็หนีภัยอันตรายไม่ทันเพราะการที่คนเราเนี่ยการที่เราจะให้สัญญามานทำงานได้นี่มันก็ต้องมีการแปลข้อมูล มีการแปลข้อมูลจากสิ่งที่เห็นเราแปลข้อมูลเอาความจำที่มีอยู่มาใช้ว่านี่คืองูไอกระบวนการตรงที่มันใช้เวลาใช้เวลาอาจจะแค่ไม่ถึงหนึ่งวินาทีแต่มันก็อาจจะไม่ทันการเพราะว่าเท้าอาจจะไปเหยียบซะก่อนแต่ว่าธรรมชาติให้เรามีกระบวนการอีกกระบวนการก็คือว่าพอไม่ทันจะรู้ว่าคืออะไรแต่ว่าความรู้สึกมันทำงานแล้วเกิดความกลัวเกิดความเกลียด แล้วก็ทําให้มีปฏิกิริยาฉับพลันปฏิกิริยานี้ก็มีทั้งสู้หรือไม่ก็หนีเป็นปฏิกิริยาที่เกิดขึ้นโดยที่สมองไม่ทันจะรู้ว่าไอ้ข้างหน้ามันคืออะไรแต่ว่าไอ้ความรู้สึกหรือว่าร่างกายเนี่ยมันทํางานไปซะกอ่อนแล้วนี่ก็เป็นประโยชน์ที่ทําให้มนุษย์เรานี่เอาชีวิตรอดปลอดภัยได้จากอันตรายต่างๆที่มาแบบฉับพลันอย่างเช่นกําลังขับรถอยู่ อะไรตัดหน้ามันยังไม่ต้องทันรู้หราว่าอะไรตัดหน้ามันเห็บเหลวไปซะแล้วหรือไม่มันก็หักพวมาลัยหลบไปซะแล้วอันนี้เลยว่าเป็นปัจจัเดียวที่เกิดจากความรู้สึกนะหลังจากที่เห็นอะไรบางอย่างโดยที่ยังไม่รู้ว่าเห็นอะไรหรืออะไรเกิดขึ้นในรายละเอียดใหความรู้สึกนี่มันก็ช่วยคนเราได้มีกรณีหนึ่งที่ดูเหมือนแปลก มีผู้หญิงคนหนึ่งเป็นคนที่ความจำเสียไปความจำสั้นเฉพาะหน้าเสียไปหมายความว่าอ่านอะไรไปห ร, หรือเจอใครก็แล้วแต่พอผ่านไปสัก5้านาทีจำไม่ได้แล้วว่าคือใครจำไม่ได้แล้วว่าเคยพบกันที่ไหนทุกอย่างมันเป็นความหมายความสดเสมอเพราะความจำเฉพาะหน้าบันหายไปแล้วความจาระยะสั้นเขาก็ไปหาหมอ หมอก็ทักเขาก็คุยกันรู้เรื่องดีผ่าไปห้านาทีเจอหมอเอาทักกันแหมกแล้วแล้วถามชื่อหมอว่าชื่ออะไรแต่ว่าเขาทดลองแบบนี้คือว่าเวลาเจอแล้วเนี่ยต้องมีการจับมือกันนี่ว่าเช็คแฮนด์ทีนี้เขาเขาเก็บในมือของหมอเนี่ยเขาเก็บไนั่นไว้เขาซ่อนนั่นไว้เข็มกลัดงั้นพอทับพอจับมือกับผู้หญิงคนนี้เนี่ยเข็มกลัดมันก็ไปแทงมือเขา พอแทงมือเขาเขาก็สะบัดแต่พอเจอกันใหม่อีกหนาทีต่อมาหรืออีกสนาทีต่อมาพอเจอหน้ากันผู้หญิงคนนั้นก็จําไม่ได้แล้วว่าไอ้คนที่อยู่ข้างหน้านี้คือหมอคนที่เพิ่งเจอเมื่อกี้ลืมไปหมดแล้วแต่พอหมอยื่นมือมาจะจับมือเขาผู้หญิงคนนั้นไม่ยอมให้จับมือทําไมไม่ยอมจับมือเพราะจําได้ว่ามันเจ็บความรู้สึกเนี่ยคือ จิตคนเราเนี่ยมันจําความรู้สึกเจ็บได้ดีกว่าข้อมูลจำไม่ได้หรอกว่าเคยเจอคนนี้ที่ไหนแต่จําได้ว่ามันเจ็บเมื่อถ้าเกิดหมอคนนี้ยื่นมือเข้ามาให้ความรู้สึกนี่มันมันติดตรึงในจิตใจของเราได้มากกว่าความรู้หรือข้อมูลเราลืมไปแล้วล่ะนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่ความเจ็บปวดหรือว่าความทุกข์ความสุขที่เกิดจาก การได้พบกับเหตุการณ์นี้หรือพบกับคนคนนี้นี่มันจําได้ดีอันนี้ซึ่งมันก็ช่วยได้นะตอนนี้ที่พูดมาเรื่องนี้ก็เพื่อที่จะชี้ให้เห็นว่าไอ้ความรู้ความรู้สึกนี่มันทํางานคนละส่วนบางทีมันก็เสริมกันบางทีมันก็ขัดแย้งกันซึ่งอันนี้นี่มันก็เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหรือการดําเนินชีวิตด้วยเพราะว่าคนเราเนี่ยถ้าเรา ใช้แต่ความรู้สึกล้นล้วนนะมันก็พาชีวิตไปอีกทางหนึ่งซึ่งอาจจะเป็นทางที่ไม่ดีก็ได้โดยเฉพาะถ้าเราเอาชีวิของเราไปฝากไว้กับความชอบไม่ชอบเอาชีวิของเราไปฝากไว้กับอะไรที่มันสุขอะไรที่มันทุกข์ถ้าสุขก็เอาอะไรที่มันทุกข์ไม่เอาคือมันอาจจะไม่ดีก็ได้เนะช่นชอบกินแต่อาหารที่อร่อยอร่อยมันก็ทําให้เกิดสุขภาพที่ไม่ดี หรือว่าชอบความสบายอชอบความสบายมันก็เลยทำให้ไม่คิดจะภาคเพียนผลขวายศึกษาหาความรู้เพราะการศึกษาหาความรู้เนี่ยมันเหนื่อยมันยากมันลำบากทัง้งที่รู้ว่ามันดีนะแต่ว่าจิตมันติดความสบายหรือว่าติด ก, การมาสุขอันนี้ก็เป็นปัญหามากเพราะว่าในทางพทศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็ชี้เห็นถึงโทษของของการมาสุข นะว่าชีวิตที่มันติดอยู่กับการมาสุขเนี่ยหรือการมาคุณเนี่ยมันก็เป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยความทุกข์แล้วก็อาจจะไปสร้างความทุกข์ให้แก่คนอื่นได้ด้วยเพราะว่าไปลักขโมยไปรังแกใครหรือไปโกงใครเพื่อที่ได้มีเงินมาซื้อหาความสุขซึ่งก็ในสุดก็ทําให้ตัวเองต้องได้รับโทษทันนะชีวิตไม่เจริญหรือพวกที่ติดอบายามุขพวกนี้ก็ติดการมาสุขทั้งนั้นนะแล้วไปชีวิตก็ลําบาก เป็นนี้เป็นศินตายตั้งแต่ยังยังหนุนยังแน่นเพราะว่าโลกตับแข็งมาเล่นงานบุหรี่มันทำอันตรายมันเป็นมะเร็งปอดอย่างแค่นี้ก็เห็นได้แล้วว่าเหตุการณ์ที่คนเราเนี่ยอยู่ด้วยความรู้สึกลว้วนๆเนี่ยหรือว่าให้ความรู้สึกเป็นใหญ่เนี่ยมันมันเป็นโทษเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการศึกษาหาความรู้แต่การศึกษ า, ากความรู้เนี่ยลำพังความรู้อย่างเดียวมันก็ไม่พอ นะถ้าเกิดใจนี่ก็ยังโน้นไปในทางที่หรือว่ายัางติดอยู่ในกรรมสุขอย่างที่บอกไว้แล้วว่าบางครั้งคนเรารู้นว่ากามนี่มันเป็นโทษนะแต่ก็ยังยังหนีไม่พ้นที่จะไปคล้องแวะไปปัวพันไปเสพติดมันอันนี้ก็เพราะถ้าอธิบายก็เพราะว่าความรู้สึกนั้นเนี่ยเราจะบอกว่าความรู้มันไม่มีพลังพอเหตุผล ความคิดมันไม่มีพลังพอที่จะไปเหนียวล้างความรู้สึกให้ทอนห่างจากสิ่งเหล่านี้แต่ที่จริงอธิบายหมายก็ได้ว่าเป็นเพราะว่าเรายังไม่เคยได้เสพได้ได้สัมผัสกับความสุขที่มันประณีตหรือว่าเป็นเพราะว่าใจมันยังโหยหาความสุขอยู่เพราะฉะนั้นถ้ามีความสุขอะไรไม่ว่าจะจะหยาบหรือประณีตมันก็เสพให้ก่อนอย่างที่เคยยกตัวอย่างว่าพระพุทธเจ้ายกตัวอย่างว่าเมื่อคนที่เดินมากลางแดด นะอากาศร้อนคอแห้งหิวกระหายมากถ้าหากว่าไปเจอแก้วน้ําที่มีน้ําสวยสีใสสีสวยหวานนะแต่ว่าเจอด้วยยาผิดแม้จะมีคนบอกว่าน้ํานี้เนี่ยมันสวยก็จริงอร่อยก็จริงแต่มันมีพิษอาจจะทําให้กินแล้วตายได้หรือเจียนตายทั้งๆ ท, ที่รู้แบบนี้เนี่ย คนที่หิวกระหายไม่ได้กินน้ำมาสองสมวันเนี่ยหรือจะไม่ได้กินน้ำแค่วันเดียวแต่ร้อนมากเนี่ยทั้งๆ ท, ที่รู้ว่ารู้ว่ามันอันตรายแต่ก็ยังกินเพราะอะไรก็เพราะมันหิวมากาหิวมากมก็ต้องขอกินไว้ก่อนขอให้ดับกระหายไว้ก่อนส่วนจะตายเมื่อไหร่นั้นมันเป็นอนาคตแต่ตอนที่ฉันหิวมากให้ความรู้สึกเนี่ยมัน มันไม่ยอมที่จะทําตามความรู้ความรู้บอกว่าอยากินอย่ากินนะแต่ว่าความรู้สึกบอกว่าไม่ไหวต้องกินแล้วมันหิวเหลือเกินทุกเวทนาบีบขั้นแรงก้าเหลือเกินเนี่ยท่านก็เปลี่ยนมันก็กามก็เหมือนกันคนเราเข้าหากลามก็เพราะว่ามันโหยหาความสุขแล้วก็กามก็เป็นความสุขอย่างเดียวที่มีนะที่รู้จักหรือว่าที่เข้าถึงได้แม้ว่าพระพุทธเจ้าจะบอกแม้ว่าพระจะสอนว่า ไอ้กามนี่มันมีโทษหรือว่าแม่พระจะสอนว่าไอ้บุหรี่หรือว่าเหล้านี่มันมีโทษนะแต่ว่าเนื่องจากคนก็ไม่สามารถจะหาความสุขหรือไม่เคยพบความสุขอย่างอื่นมันก็ต้องเข้าหาความสุขตรงนี้ถ้าเราเทียบมันก็ว่าเออถ้ามันมีน้ําอยู่สองแก้วนะแก้วหนึ่งน้ําสวยอร่อยแต่เป็นโทษอีกแก้วหนึ่งเป็นน้ําฝนน้ําบริสุทธิ์ไม่มีสีไม่อร่อย แต่ว่าไม่อันตรายถ้ามันมีแก้วอีกแก้วหนึ่งวางไว้อยู่เนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ว่าคนที่หิวกระหายนะก็อาจจะเลือกที่จะกินน้ําแก้วที่สองนะแต่ถา้าไม่มีแก้วที่สองให้เห็นเลยก็ต้องอดใจไม่ได้ต้องไปกินแก้วที่มีอยู่แม้ว่าจะอันตรายก็ตามด้วยนี่ผู้เจ้าตรัสว่าคนเราเนี่ยไม่อาจจะละกามสุขได้ ไม้าจะละ ก, กามะขุณได้จนกว่าจะได้เห็นหรือได้ได้ไดเข้าถึงความสุขที่ประ n ี e กว่าเป็นความสุขที่ไม่ที่ไม่ต้องพึ่งกามหรือเป็นความสุขที่เว้นจากกามเลื่อนเนตข ม, มัสุขนะเป็นความสุขที่ไม่อาศัยกามพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าพระองค์เนี่ยก็หรือใครก็ตามนะแม้าจะเห็นโทษของกามแม้าจะเห็นโทษของกามแต่ถ้าหากว่า ยังไม่สามารถจะเข้าถึงความสุขที่ประเสริฐความสุขที่สงบหรือความสุขที่ปรณีกว่าการได้มันก็ต้องพัวพันอยู่ในการมาสุขอยู่นั่นเองก็ต้องติดอยู่ในการมาสุขนั่นเองเพราะไม่มีทางเลือกอื่นต่อเมื่อได้พบกับความสุขที่ปรณีตะความสุขที่ที่สงบที่ประเสริฐกว่าการมาสุขอันนั้นแหละถึงจะเป็นอิสระจากการมาสุขได้ก็หมายความว่าเพียงแค่ความรู้อย่างเดียวไม่พอ มันต้องอาศัยความรู้สึกก็คือการที่ได้เสพได้สัมผัสกับความสุขสุขันี้แล้วรู้นะแล้วก็รู้สึกได้ชัดเลยว่าโอ้มันต่างกันเยอะเลยอันนี้พระองค์ก็พูดจากประสบการณ์ตัวเองพระระองค์เคยตัดว่าเมือ่อครั้งที่เป็นพระโพธิสัตว์นะหรือยังไม่ทันตัสรู้หรือว่าอาจจะเป็นชาติก่อนๆด้วยแม้พระองค์จะเห็นเห็นประโยชน์ของความสงบเห็นประโยชน์ของเนคขมัะสุ คือความสุขที่ไม่อิงการเป็นความสุขที่ประณีตแม่พระองค์จะเห็นประโยชน์แต่ว่าใจไม่น้อมตามใจไม่น้อมตายใจไม่แล่นไปหาใจไม่ฝ่ายหาในคามัสุขนั้นเพราะว่ายังไม่เห็นโทษของการมัสุขอย่างแท้จริงแล้วก็ยังไม่ได้สัมผัสหรือไม่เข้าถึงกับเนคข ม, มัสุขคือการเห็นประโยชน์ของเนคข ม, มัสสุนี่มันเป็นแค่ความรู้เป็นแค่ความคิดนะเป็นแค่ความรู้ความคิดแต่ว่า ถ้ามั น, เ, นเป็นแค่ความรู้ความคิดเนี่ยแต่ใจยังไม่รู้สึกด้วยเนี่ยความรู้สึกยังไม่อ่อนอ่อนมันก็ก็เป็นไปได้ยากที่จะมีชีวิตที่เข้าหาเนคขมาสุขอย่างแท้จริงความรู้สึกยังไม่ไปด้วยนะท่านบอกใจไม่แล่นไปใจไม่โน้มไปก็คือความรู้สึกยังไม่ไปในทางเดียวความรู้เพราะว่ายังไม่เจ็บปวดยังไม่เจอความเจ็บแสบของกามาสุขแล้วก็ยังไม่ได้สัมผัสกับ รสชาติของเนคขามาสุขนะอันนี้พูดแบบง่ายๆให้ความรู้สึกมันก็เลยยังไม่คล้อยตามความรู้ไปข้างหน้าและแความรู้สึกไม่คล้อยตามเพราะว่ายังไม่เจอความทุกข์แล้วก็ยังไม่เจอความทุกข์ที่เจ็บแสบ ข, ของการมาสุขอย่างถึงขั้นแล้วก็ยังไม่ได้สัมผัสกับรสชาติของเนคขามาสุขต่อเมื่อพระองค์ได้สัมผัสกับรสชาติของเนขามัสุขแล้วก็ได้เห็นโทษของการมาสุขจริงๆเห็นโทษในที่หมายถึงว่า มันมันเจอด้วยตัวเองกันนะไม่ใช่เห็นด้วยด้วยสายตาแต่เจอด้วยตัวเองเมื่อ น, นั้นแหละใจก็น้อมตามก็คือน้อมเข้าหาเนคข ม, มสัสสุก็คือความรู้ความรู้สึกมันไปด้วยกันล ะ, ละในการปฏิบัติธรรมเนี่ยในการดำเนินชีวิตประมจำวันหรือว่าในการดำเนินชีวิตที่ประเสริฐในทางศาสนาเนี่ยลําพังความรู้มันไม่พอแต่ความรู้รู้ว่าอะไรดีอะไรไม่ดี รู้ว่าสติสัมปชัญญานี้ดีรู้ว่าสมาธิภาวานานดีรู้ว่าการมนี่มันเป็นโทษแต่ถ้าเกิดว่าใจนี้ยังไม่ไม่สัมผัสกับความสุขที่ประณีต ย, ยังไม่ได้สัมผัสกับความสุขที่ประณีตจริงๆรวมทั้งไม่ได้เจอไอ้โทษของการมาสุขมันก็ยากที่จะประคองชีวิตพรหมจรรย์ไปได้อย่างต่อเนื่องใจมันยังขวนหา ถ้ายังไม่สัมผัสกับความทุกข์ของการมาสุขจริงๆใจมันก็หวนหารสชาติอตลอดของการมาสุขอยู่นั่นเองหรือว่าอาจจะรู้แต่ไม่กระตือรือร้นที่จะทําอะไรนะเพื่อที่จะเปินการฝึกหัดการกล่าตัวเองอย่พระพุทธองค์ไดต้ตรัสว่าคนเราเนี่ยมันเปลี่ยนเหมือนกับม้าสี่ประเภทม้าสี่เพทนี้เป็นยังไงม้านี่มันมีสประเภทคือว่ามา้าม้าที่สารถีนะ ขับเนี่ยมาประเภทแรกเนี่ยเพียงแค่เห็นคนขี่เนี่ยเขาชูปรตตักขึ้นเห็นเงาของปรตตักข้างหน้าเนี่ยก็รู้แล้วว่าจะไปทางไหนประเภทที่สองนีต้องโดนปรตตักทิมก่อนนะถึงที่ผิวหนังถึงจะรู้ว่าไปทางไหนประเภทสามเนต้องถูกปรตตักทิมถึงเนื้อถึงจะรู้ว่าควรทำอะไรประเภทสีนี่หนักนะคือต้องโดนปัตตักทิมไปถึงกระดูกเจ็บปวดอย่างแรงกล้าถึงจะรู้ว่า ต้องทำอะไรบ้างแล้วคนสประเภทนี้ก็ได้แก่อะไรบ้างประเภทแรกนี้คือเพียงแค่รู้ว่ามีคนตายที่นอนที่นี่ก็เกิดความโศดสังเวชหรือเกิดความกระตือรุล้ น, ลนเข้าหาการปฏิบัติศึกษาธรรมะประเภทที่สองเนี่ยต้องเจอต้องเจอคนตายต่อหน้าถึงจะเกิดความสังเวชแล้วเข้าหาการปฏิบัติประเภทที่3เนี่ยต้องคนรักคนรู้จักตาย เป็นญาติเป็นพ่อเป็นแม่เป็นลูกตายถึงจะเข้าหาการปฏิบัติประเภทนีงต้องเจอกับตัวต้องเจอกับตัวเลยเจียนตายเป็นโลกเฉียดตายประสบปุบุอุบัติเหตุถึงค่อยสนใจธรรมะประเภทนี้เรว่าไม่เห็นลงศพไม่หลังน้ตาประเภทแรกเนี่ยคือแค่ความรู้เพียงแค่ได้ยินคือได้ความรู้ว่าออคนเราเกิดมาต้องตายนะแค่นี้ก็เกิดความกระตือรือรั่ แต่ประเภทหลังเนี่ยความรู้อย่างไม่พอมันต้องรู้สึกด้วยคือเห็นคนตายต่อหน้าเนี่ยมันก็สยองมันก็ผวาหรือว่าเกิดความกลัวขึ้นมาก็พอเกิดความกลัวแล้วเนี่ยความรู้สึกนี้มันก็เลยผลักดันให้ต้องปฏิบัติธรรมประเภทที่3ามก็เหมือนกันคือเศร้าเสียใจนะเห็นคนรักตายเกิดความเศร้าเสียใจเมื่อมีความเศร้าเสียใจก็อาศัยความเศร้าเสียใจนี่แหละเป็นตัวกระตุ้นให้ปฏิบัติธรรม ประเภสีนี้มันเจอตัวเองเลยชัดเลยโอ้คนส่วนใหญ่เนี่ยจะเข้าหาธรรมะหรือจะเข้าหาสิ่งที่ดีงามเนี่ยมันไม่ใช่เพราะว่าลำพังความรู้ไม่พอลำพังความรู้ว่าอย่างนี้ดีอย่างนั้นไม่ดีเนี่ยแต่ก็ไม่สนใจที่จะทำตามจนกว่าจะเกิดความรู้สึกเกิดความรู้สึกคือเจ็บปวดกลัวหวาเศร้าโศกเสียใจถึงเข้าหาปฏิบัติธรรม อย่างประสบการณ์ที่ประจํำเรนก็เห็นเนี่ยคนที่จะเข้าวัดเนี่ยก็ต้องมีความทุกข์ถ้าไม่มีความทุกข์เนี่ยนะมีความสุขสบายดีก็ยากที่จะมาปฏิบัติธรรมทั้งที่รู้นะอ่านหนังสือมาก็รู้นะว่าปฏิบัติธรรมนี่ดีเจริญสมาธิภาวนานนดีแต่ไม่สนใจใจยังไม่โน้มตามใจยังไม่ฝ่ายไปทางนั้นเพราะว่ามันยังไม่เจอความเจ็บแสบไม่เจอความทุกข์ด้วยตัวเอง ตอนเมื่อเจอความทุกข์เช่นอกหกักล้มละลายหรือว่ามีความเครียดอย่างแรงประสบความล้มเหลวในธุรกิจการงานเครียดมากไม่สบายเครียดจนไม่สบายเนี่ยเอาละตอนนี้ถึงเข้าหาธรรมะเพราะว่าความรู้สึกมันผลักดันนะความรู้สึกมันผลักดันให้ต้องทําให้ต้องหาทางเลือกนี้เพราะว่าเห็นแล้วว่าวิธีอื่นเนี่ยมันไม่ได้ผล เพราะว่าไปเที่ยวก็แล้วกินเหลาก็แล้วมันก็ไม่หายมันก็ไม่หายทุกแต่ไม่ได้ความทุกข์หรือได้รู้สึกถึงความทุกข์จากการใช้วิธีการเหล่านั้นก็เลยต้องมาเข้าวัดปฏิบัติธรรมอันนี้เราว่ามาด้วยความรู้สึกล้วนๆอาจจะผสมกับความรู้ด้วยแต่ความรู้มาไ ม, ม่พลังพอต่อความรู้สึก คนเราส่วนใหญ่เนี่ยก็เรียกว่าอยู่ด้วยความรู้สึกนะเพราะฉะนั้นจะทําอะไรแม้จะทําความดีก็ทําทด้วยความรู้สึกคือเจอทุกข์เต็มที่หรือว่าอาจจะได้เคยสัมผัสได้เสพความสุขจากความสงบมันก็เลยมีแรงจูงใจแต่ส่วนใหญ่อาศัยแรงผลักแรงผลักก็คือความเจ็บปวดความทุกข์ที่มีแรงจูงใจคือความสุขเนี่ยมันน้อย เราส่วนใหญ่อาศัยแรงผลักไม่ใช่เกิดจากแรงดึงนะแรงดึงก็คือว่าเห็นประโยชน์ของมันนะก็เลยเข้าหาน้อยแต่ส่วนใหญ่ก็เจอแรงผลักเจอความทุกข์เจอความน้มเหลวเจอความเจ็บปวดอย่างแรงอันนี้คือแรงผลักแต่ถ้าเกิดว่าเราสามารถจะมาปฏิบัติแล้วเออเราได้สัมผัสความสงบจิตมันได้ซึมซาบซึมซาบรับเอาความสงบ ซึ่งเป็นความสุขที่ประนีกว่าการก็จะทําให้เกิดใจที่เข้าหาแนบแน่นกับพรหมจันทร์มากขึ้นนะพรหมจันทร์ในที่นี้ไม่จําเป็นต้องหมายถึงเป็นพระอย่างเดียวนะเป็นคารวะนะถือศีลหปฏิบัติธรรมก็เป็นพรหมจันทร์ได้คำ ว, ว่าพรหมจันทร์ในพุทธศาสนามีความหมายกว้างไม่ใช่หมายถึงว่าต้องไม่คล้องแยะกับการอย่างเดียวศีลหก็เป็นพรหมจันทร์ได้หรือว่าความสันโดษ ในคู่ครองของตัวที่เรียกว่าศรัทธารละสันโดษก็เป็นปรหมจรรย์ได้การช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อมนุษย์เอาใจใส่ส่วนรวมก็นถือว่าเป็นปรหมจรรย์ได้เพราะปรหมจรรย์แปลว่าชีวิตอันประเสริฐหรือว่าการดําเนินการปฏิบัติที่ประเสริฐมันไม่ได้มีความหมายแค่ว่าจะต้องไม่คลองแวกับการมาสุขหรือว่าเมถุนทำอย่างเดียวเพราะการที่คนเราเนี่ยนะจะถ้าหากว่าเราปรารถนาชีวิตที่ดีงามเนี่ย จะต้องสามารถที่จะเข้าใจถึงอิทธิพลของความรู้สึกความรู้สึกในนี้รวมไปถึงเวทนาและอารมณ์้วยนะความรู้สึกสุขทุกข์แล้วก็ความชอบไม่ชอบความอยากไม่อยากเพราะตัวนี้คือตัวสำคัญถึงแม้ว่าคนเราจะมีความรู้แค่ไหนแต่ว่าก็มักจะตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของความรู้สึกซึ่งมีทั้งดีแล้วก็ไม่ดี ถ้าความรู้สึกมันเป็นความรู้สึกที่ไม่ได้รับการอบรมไม่เคยสัมผัสกับสิ่งที่ประณีความสงบมัน ก, ก็ต้องไปคล้องแวกับความสุขที่หยับหยาบความสุขที่เรียกว่ากามัศุขกามสุขก็มีหลายแบบประนีก็มีหยาบก็มีหยบหยา บ, ยาบก็เช่นเช่นเล่าบุหรี่ยาเสพติดหรือว่าการเที่ยวเที่ยวผู้หญิงเที่ยวกลางคืนแบบเมาเวล า, าน้ําอันนี้เรียกว่าการมัศุกขั้นหยับหยาบ ขันประนีประนิเช่นการฟังเพลงที่ที่มันไพเราะเพลงที่มันแต่งอย่างประณีหรือว่าชื่นชมธรรมชาติที่ประณีที่งดงามอันนี้ก็เป็นการมาสุขที่ประณีนะแต่ว่ามันก็ยังจัดอยู่ในการมาสุขที่ยังมีโทษแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้จักที่จะถ้าเราเห็นโทษของมันแม้จะเห็นโทษ ด, ด้วยแค่ความคิดแค่ความรู้จากการอ่านจากการฟัง แต่ถ้าเกิดว่าเราพยายามได้สัมผัสกับความสุขที่ประณีตจากการทำความดีจากการได้สัมผัสกับความสงบจากการได้เจริญสมาธิภาวนาถ้าเรามีตรงนี้ได้สัมผัสกับอ น, นิสงส์หรือว่ารสชาต์ของความสุขแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นการกล่อมกล่าวความสุขของเราให้ประณีตเป็นการที่จะไปหัวหาอะไร หรือว่าเสียดายการมาสุขมันก็จะลดลงถ้าไม่มีตรงนี้เนี่ยมันก็ยังไม่ปลอดภัยมันยังอดไม่ได้ที่ต้องเข้าไปหาหรือระลึกถึงการมาสุขเพื่อที่จะให้การตันชีวิตธมจังของเราเนี่ยมันสะดุดแม้แต่การจะมีคู่การจะพอจะในคู่ครองของตัวที่เราศราทธาสันโดษเนี่ยมันก็ยังทําไม่ได้เพราะมันอดไม่ได้ที่จะนึกถึงความสุขจากความสุขแปกแปใหม่ๆกับคนอื่นหรือว่า อะไรที่มันผิดทํานองครองทำเพราะว่ามันไม่สามารถจะได้รับสัมผัสกับความสุขที่ประณีตกับการมีชีวิตกับคู่ครองคนเดียวงั้นตรงนี้เองเนี่ทำให้เราถาเราตระหนักตรงนี้เนี่ยก็ต้องพยายามที่จะอบรมความรู้สึกของเราให้มันให้มันเจริญงอกงามด้วยที่จริงการปฏิบัตินะเจริญสมาธิภาวนาคือตรงนี้แหละเพราะว่าการเจริญสมาธิภาวนาเนี่ยมันใช้เรื่องความรู้น้อย ไม่เคยใช้เรื่องความคิดเท่าไหร่ที่จริงก็ต้องวางความคิดไปเลยไม่ต้องใช้ความคิดเจริญสตินี่ไม่ต้องใช้ความคิดไม่ต้องคิดว่านี่คือสติสติคืออะไรลงมือทําและสัมผัส ด, ด้วยใจการเจริญสมาธิภาวนาคือการอบรมจิตใจโดยตรงเลยซึ่งทีแรกก็มันก็ต้องให้สัมผัสกับความสงบที่เรียกว่าสมถกรรมฐานอาษากรรมฐานกรรมฐานคือกรรมฐานทําให้ใจสงบใจเป็นสุข แล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะทำให้อบรมจกกนกระทั่งจิตนี้เกิดปัญญาขึ้นมาเป็นความรู้สึกที่มันประสานกับความรู้อย่างชัดเจนความรู้ว่าขันธ์ห้ามเป็นไตรลักษณ์ความรู้ว่ารูปและนามนี้ไม่ใช่เรากายและใจนี้ไม่ใช่เรานี่เป็นแค่ความรู้ในหัวสมองแต่ใจมันยังไม่น้อมตามเพราะใจมันยังมีความหวงความแหนมันยังมีความหวังซ่อนลึก อ, อยู่ลึกๆว่ากายนี้สุขใจนี้สุขมันยังอยากมี เป็นเจ้าข้าเจ้าของกายและใจนะเพราะว่ามันยังมันยังหลงว่ามีตัวตนอยู่พอนึกว่าตัวตนไม่มีนี่มันเสียวว่าเป็นะใจเนี่ยตัวตนไม่มีมันยอมไม่ได้มันขัดขืนมันต่อสู้มันต้องพยายามพิสูจน์ให้ได้ว่าตัวตนมีแล้วถ้ากายและใจไม่ใช่ตัวตนมันก็ไปยึดอย่างอื่นมาเป็นตัวตนไปยึดเอาทรัพย์สมบัติเป็นตัวตนหรือไปยึดเอานิพพานเป็นตัวตนก็ได้ใจไม่ยอมอ่ะ มันจะมันจะรู้สึกโดดเดี่ยวอ้างว้างมากถ้าตัวตนไม่มีให้ความรู้ไปกายแล้วความรู้กอเราไปกายเรารู้ว่าตัวตนไม่มีแต่ใจมันไม่ยอมความรู้สึกมันไม่ยอมนั่นแหละการปฏิบัตินี่ก็คือการี่ค่อยกล่อมกล่าวความรู้สึกให้มันได้เห็นได้รู้ว่าให้ตัวตนไม่มีและถ้าเป็นลงยึดตัวตนนี่มันทุกข์มากเลยใจที่มันเจอความเจ็บแสบจากความยึดติดในตัวตนเนี่ยมันก็จะช่วยทําให้ปล่อยวางได้และยิ่งมันเห็นเลยว่าโอ๊ย แม้แต่จิตมันก็เต็มไปด้วยทุกข์มากนะมันเต็มไปด้วยทุกข์ถาวรเลยหวังให้มันสุขไม่ได้เลยเพราะหวังให้มันสุกไม่ได้เลยเนี่ยจิตมันก็ยอมจำนนมันก็ยอมแพ้มันก็ยอมรับความจริงได้ความรู้สึกมันก็ไปด้วยกับความรู้ที่มีอยู่แล้วจากการนานจากการฟังเพราะในขั้ตอนนี้เนี่ยความรู้กับความรู้สึกมันก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคือพาไปสู่ความหลุดพ้นได้ในที่สุด การปฏิบัติของเราเนี่ยจะต้องให้ความสําคัญเรื่องความรู้สึกให้มากามกล่อมเกลาความรู้สึกคือส่วนที่เป็นจิตส่วนที่เป็นอารมณ์ให้มันสอดคล้องไปกับความรู้หรือเหตุผลที่เรามีอยู่แล้วอันนี้แหละนั่นภาวนาญปัญญาหรือปัญญาที่เกิดจากการการปฏิบัตินี่ถึงสําคัญสุดตมญปัญญาปัญญาที่เกิดจากการฟังการอ่านนี่ก็ดีอยู่จินตเมยปัญญาปัญญาที่เกิดจากการคิดก็ดีอยู่แต่มันก็ยังอยู่ในฝ่ายของความรู้ แต่ว่าต้องอาศัยความรู้สึกได้รับการก่อมเกล่าด้วยภาวนาวแวะปัญญามันถึงจะทำให้เกิดปัญญาที่แท้จริงได้